ท่ฟังที่ครบคะเราปฏิบัติธรรมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วการปฏิบัตินี้ถ้าเราทำเป็นประจำก็จะทำให้การปฏิบัติของเราเจริญมากยิ่งขึ้นตามวันเวลาสร้างเหตุที่ถูกต้องนะครับผลก็จะมานั่นนการนำโดยพระมาร์ชาคาวโรวัดนาปะพงลำลู ก, กาคลองสิทท่านอยู่วัดของพระอาจารย์คริสต์โสธิพโลที่ท่านได้มอบหนังสือ พุทธวจนะให้กับกรอยู่เป็นประจําทางศูนย์สองสองเก้าศูนย์ศย์ศูย์หกนะคะตอนนี้ก็จะไปพบ ก, กับพระภูมิบุญอภิบุญโงจาวัตปารนหายโสดอนธานีซึ่งท่านจะนําเอาพุทธวจนะของพระศ า, าสดามาเปิดธรรมตอบคําถามต่างๆที่เราถามไปเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนะคะกราบถึงันสการท้าพตูบุญคะเชิญผ่านค่ะพุทธชยันติะนะคะอาจาต้องการจะพูดถึงตรงนี้นิดหนึ่ง ที่หลายหลายคนจะไม่ค่อยทราบคือเรื่องของลักษณะของพระพุทธเจ้านัคือลักษณะรูปร่างร่างกายอะไรต่างๆเนี่ยมีอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพระเจ้าของเราเนี่ยมีตาสีเขียวนะเหมือนสีนินสีนินแต่เป็นเขียวเข้มๆนะ <Okay. S 1> ะที่มีตาสีเขียวเหมือนสีนินนี่ก็เพราะว่าเป็นคือคือเป็นผลของการกระทํากรรมในชาติอื่นๆที่ผ่านมาน ะ, ะที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่า เราหนี้ไม่เป็นผู้ถลึงตาคอนคับคือเหมือนมุติถลึงตาให้คนอื่นเนี่ยนะไม่ไม่เป็นอย่างนั้นนะแต่เราก็เป็นผู้ที่มองดูด้วยสายตาชุ่มชื่นนะมองดูตรงๆนะเมื่อทํากรรมอย่างนี้มากมากทำให้พระองค์นี้ได้ไปเกิดเป็นเทวดานะมีความแบบโอ้โหอลังการเลือดดุมากมีทั้งอายุทิพวรรณทิพสุขทิพยศทิพนะพอเป็นอย่างนี้มากๆแล้วพอมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้เนี่ย ทำให้เป็นผู้ที่มีตาเหมือนมีตาสีสีนินมีตาสีนินคือสีเขียวเข้มเป็นผู้ที่นี่เป็นเป็นเหตุนะเหตุที่ทําให้มีตาสีเขียวเข้มเนี่ยเพราะว่าไม่เป็นผู้ที่ถลึงตาค้อนควักมองดูตรงๆด้วยสายตาเฉ่มชื่นผลที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าจะทําให้เป็นผู้ที่เป็นที่ต้องตาของชนหมู่มากเป็นที่รักใคร่พอใจของภิกษุภิกษุณีวบาสุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรหน้าคนทัน คือคนอื่นมองดูก็แหมชื่นชอบพระพิชาตเหมือนอย่างที่โป่งมองดูผู้อื่นด้วยสายตาแห่งความรักเป็นผู้มองดูตร ง, ตร ง, ตรงๆเชื่อมชื่นไม่ถึงตาคอนควักพวกนี้ <Okay. S 1> นเพราะฉะนั้นคนที่แบบค้อนคนอื่นบ่อยๆอย่างเงี้ยพอเขเดินหันปตสสะคอนควัก ๆ, ๆใส่ให้เนี่ยโอยนี่ระวังเลยน่าจะทําให้เป็น อ, อมีตาไม่สวยแต่นีน่นางเอกกําลังตกใจไม่ใช่นางเอกค่ะตัวโป่งค่ะ <laughs> คอนประจําเลยได้บทที่อะไรแค่ค้อนทุกทีถ้าพวกคอนตามบทนี้จะ จะเป็นอย่างนั้นไหมคะคือจะทํามากๆนี่ไปนรกแ like? น่ <c oughs> นอ <c oughs> นนรกกำหนดเอกสารเปิวิสัยเพราะว่ามองดูคนอื่นด้วยด้วยสา ย, ย ต, ต, ตยายที่ไม่ดีนะอ <c oughs> ่าทีนี้ว่าถ้าผม ว, ว่าเราเปลี่ยนซะนะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ไปไหนเราอยู่ในโลกยังสามารถทําความดีได้อยู่ใช่ไหมเราก็มองดูผู้อื่นด้วยสายตาช่มชื่นมองดูตรงๆงมีสายตาแห่งความรักอยู่อาจะได้อานิสงส์ใช่ใช่เรื่องตาของผู้เช่ามีอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อให้ครบถ้วนไปเลยคือมีตาดั่งตาโค ตาโคเนี่ยก็จะเป็นมีตาที่มีตาดำมากกว่าตาขาวตาโคใช่ตาแบบตาเยิอมๆตาแบบตาดามากกว่าตาขาวอ๋อเหรอคะถ้าถ้าเราไปดูโคนะโคโคเนี่ยก็จะตาดำมากกว่าตาขาวนี่คือเขาเรียกอะไรนะคะมหาบุริศลักษณะใช่ใช่ลักษณะของมหาบุรุษ3ที่สองประการค่ะถ้าพูดถึงคำว่ามหาบุรุษเนี่ย ดิฉันเองได้ยินเอามาใช้กับคนอื่นอยู่ด้วยเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยใช้ได้ไหมคะอืมก็ใช้กับพระอรหานได้โอค่ะนะคะแต่นี้เราหมายถึงพระพุทธองค์ของเราวันนี้ก็เลยได้ทราบเรื่องดวงตาของพระาศาสดาทีนี้จะมากลับเรียนถามท่านเมื่อกี้เราพูดถึงอ่าเรื่องของคนที่ชอบค้นคว้าชอบมองในลักษณะที่ แค่นะคะไม่มองตรงขมึงขมึงตึงขมึงต า, านะคะมองแบบเขมึงถึงก็จะเป็นผู้ที่มีตาเคนะคะมีตาไม่สวยแล้วก็เวลาคนอื่นมองดูเราเขาก็จะมองดูด้วยความเครียดไม่รักเราอย่างเงี้ยมองดูด้วยสายตาไม่รักค่ะ ม, มาถึงเรื่องที่บางทีคนเนี่ย จะรู้เท่าถึงการหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็เห็นว่าคนเนี้ยในความเข้าใจของเราเป็นคนเลวอ่ะพอเขาตายไปก็เลยมีการแช่งชักหักกระดูกซ้ำเติมอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะให้ท่านพูดถึง เ, เรื่องของธรรมประกอบแล้วเนี่ยความควรไม่ควรจิตตีเป็นลักษณะว่า แช่งคนอื่นคิดไม่ดีกคนอื่นนี่เป็นความพยาบามนะค่ะตัวมันเป็นความพยาบามเป็นความมุ่งร้ายเป็นความปองร้ายเป็นความคิดอาฆาตพวกนี้เหมือนกันหมดเลยค่ะนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือจิตก็ไม่เป็นสมาธิแน่นอนค่ะจิตที่ไม่เป็นสมาธินี้ก็คือเป็นจิตที่มีนิวรล่ะค่ะมีนิวรอย่างนี้จิตไม่เป็นสมาธิแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นมิจฉาสังกปะนะจิตอย่างนี้นะ จ, จะไปสู่พบที่มีความเบียดเบียนมุ่งร้ายกันอยู่ตลอดเวลาสมมติจิตสุดท้ายเราเป็นอย่างนี้นะ จิตถัดมาเนี่ยเราก็จะไปสู่พบที่มีสภาวะเป็นอย่างนี้มีความมุ่งร้ายมีความเบียดเบียนกันตลอดเวลาค่ะแต่เช่นไรก็เป็นคนไม่ดีเกิ่ยวกับความรู้สึกดาวอ๋อไม่ถึงคนที่เราคิดเนี่ยเขาไม่ดีจริงๆใช่ไหมคือสมมุติว่าเราเราเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจแล้วนะคะก็เป็นคนไม่ดีเนี่ยแม้ขอสะใจสักหน่อยหนึ่งไม่ได้หรออืมคุญยมติว่ายังไงล่ะคือคือมันมันไม่มีสิทธิ์ที่เราจะทําไม่ดีนะ คือสมมุติว่าอความคิดที่เราไม่ดีเนี่ยนะคือมันไม่ดีแน่นอนถูกไหมอย่างเมื่อเราคิดไม่ดีต่อเขาถามว่าคุณอาศัยเหตุปัจจัยอะไรในการที่คุณคิดไม่ดีเพราะคนอื่นมันทําชั่วคนที่มันชั่วจริงๆฉันถึงต้องทําชั่วด้วยอ้าวมันไม่ถูกนะก็ใจเนาะคือสมมุติว่าถ้าเขาทําไม่ดีแล้วเราอาศัยความที่เขาทําไม่ดีเนี่ยเราทําไม่ดีด้วยโอยเรายิ่งแย่เลยนะคือเราก็กลายเป็นคนไม่ดีด้วยะที่ชั่วยิ่งกว่าชั่วอีกก็คือว่าเราชักชวนคนอื่นทําชั่วอันนี้เรราาาไม่่่ควทํอยยงงิ นะอย่างไรก็ตามถ้าเราไม่ชักชวนคนอื่อนชั่วด้วยแต่เราแค่ทําชั่วโดวยว่าความที่เขาทําชั่วเนี่ยเราไม่ดีเราไม่ควรทําเพราะเรายิ่งควรจะทําดีถ้าคนอื่นทาชั่วเนี่ยเรายิ่งควรจะต้องทำดีคือมีเมตตาว่างอนันเถอะนั้นถ้าสมมติในกรณีเช่นเดิมนะคะออื่าคนที่เราเชื่อว่าเป็นคนไม่ดีมากๆตายไปเราควรจะควรจะทําอะไรคะคืออย่างน้อยนะเรามีอุเบกขาอุเบกขา นะคือไม่ใช่แช่งชักหักกระดูกนะแต่ถ้าคุณไม่ชอบคนนี้เลยจริงเนี่ยควรเราจะต้องมีอุเบกขาอุเบกขานี่หมายถึงอะไรคุณโยมติ๋วนึกออกไหมคือมีมีผู้มีผู้หลีกเลนมาปฏิบัติที่วัดป่าในโศกเขาก็ไม่เข้าใจว่าอุเบกขาอุเบกขามันคืออะไรแต่ว่าเขานั่งสมาธิไปเขามีความรู้นี้เกิดขึ้นมาเขามาแบ่งปันให้อัตมาฟังเขาบอกเหมือนกับรถเนี่ยมันมีเบรกอยู่ที่ขา จะไหมก็ต้องเบรคขาเบรคขาใช่ไหมใช้ขาเบรคแล้วมันถึงหยุดได้คือการหยุดจิตของเราไม่ให้ไปในทางลบว่างี้ดีกว่าคือการวางเฉยนั่นเองสมมติอุเบกขานี่คือการมีสิ่งอะไรมากระทบแล้วจิตเรานิ่งเฉยอยู่ได้สมมติคนนี้ไม่ชอบมากๆเลยมากระทบนะมากระทบเราเสร็จปุ๊บแทนที่เราจะทําให้มีมิจฉาสังกปะเกิดขึ้นเราเบรกจิตของเราเบรคจิตของเราด้วยอุเบกขาเงียบไม่ให้จิตของเราไปอยู่ในแดนลบนี่แหละคืออุเบกขา อืแล้วามจริงสิ่งที่ผู้ปฏิบัติมาพูดกับท่านเพบูนว่าเหมือนกับการใช้ขายเหยียบเบรกนี่มันก็คล้าย <c oughs> ๆก<ๆ>ันนะคะใช่ใช่พอที่จะเอ่อเาเรียกว่าอะไรคะช่วยจำเป็นเครื่องช่วยจำของอท่านนั้นอืทีนี้เราต้องหยุดจิตของเราได้ค่ะนะคืออย่างน้อยเราช่วยเหลือเขาเต็มที่แล้วเราทำความดีเขาแล้วเขายังไม่เห็นคุณของเราโหมันช่วยจริงอุเบกขาซาอุเบกขาซา อันนี้อย่างน th ้อยที่สุดใช่ไหมคะที่ท่านบอกว่าที่เราควรจะทําให้ได้ใช่แปลว่าต้องมีอย่างมากกว่านี้สิคะเมตตาไงช่วยเหลือเขาแต่เมตตาอย่างไม่มีประมาณเราก็อ่าไปสู่สุคติเถอะผอบภูมิต่อไปอือย่าได้ทําไม่ดีอย่างนั้นเลยกรรมของแต่ละคนมันมีวาระไม่เหมือนกันอาจมายุ่ตัวอย่างอย่างเช่นว่าขอทานอย่างเงี้ยคุณมีเมตตาให้เขาใช่ไหมคุณควักเงินให้เขา แล้วเขายังมีความทุกข์อยู่ดีเขายังมีเสื้อผ้าไม่สวยงามเอางี้เราก็เอาให้เสื้อผ้าเขาด้วยเอ๊เขายังมีเสื้อผ้าดีแล้วมันก็ดีแค่ไม่กี่ปีอย่างงี้เราก็จะทํากินอะไรแล้วก็ให้งานเขาด้วยแตนะ่ให้งานเขาด้วยแล้วเขาจะหยุดต่อไปยังไงนั้นเราก็ให้งานเขาไปตลอดชีวิตถามว่าคุณจะหยุดที่ไหนหยุดที่ไหนเพราะว่ากรรมของแต่ละคนมันต่างวรรคกันสมมติเราไปเจอขอทานตามถน น, นอย่างเงี้ยคุณก็อย่างดีที่สุดคุณก็จะคงจะไม่ได้เอาเขากลับบ้านใช่ไหมถึงจุดหนึ่งคุณต้องวางอุเบกขาแล้ว อุเบกขาในชีวิตของเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้<ม>อเช่นเดียวกันคนชั่วอย่างเงี้ยเราทําได้ดีที่สุด แ, แล้วก็ทําแค่เนี้ยถึงเวลาก็ต้องวางอุเบกขาว่าเขาคงเป็นได้อย่างมากแค่นี้อ่ะค่ะแล้วเมื่อเห็นอันนี้คนคนละเรื่องแล้วนะคะ<ม>จะตัดมาที่เรื่องเมื่อเห็นการตายเพราะอะในการใช้ชีวิตเนี่ยดีฉันคิดว่าถ้าเรามีความรู้ที่จะมองมุมที่ถูกเราก็จะได้ประโยชน์จากการมอง เมื่อเห็นความตายจะมองอย่างไรจะคิดอย่างไรวางจิตยังไงให้เกิดประโยชน์กับเราอย่างยิ่งคะอ๋อนี่ผู้เช้าเคยตรัสไว้ถ้าบอกว่าเห็นคนตายหรือว่ารับทราบข่าวว่าคนตายหรือว่าญาติของเราตายเองพวกนี้เป็นโอกาสที่เราจะเป็นเครื่องเตือนสติว่าอันนี้เป็นเทวทูตนะเป็นเทวทูตนมาเป็นทูตที่บ่งบอกเราว่าโอ้แม้เราก็ไม่พ้นจากความเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้สักวันหนึ่งควรแท้ที่เราจะรีบทําความเพียรเมื่อ ที่เวลาความตายมาถึงเราแล้วเราก็ยังจะเป็นผู้ที่ผาสุขอยู่ได้ถ้าคุณทําอย่างนี้ได้คุณจะเป็นบุรุษบุคคลอาชาในาเลยอือคือมันเศร้าสลดสังเวชจริงๆนะสมมุติว่าเรารับทราบข่าวญาติเราหรือคนที่เรารู้จักใกล้ตัวอย่างเงี้ยในวัยที่ยังไม่สมควรที่จะล่วงไปก็กล่วงไปซะแล้วอย่างเงี้ยโอ้มันยิ่งสลดสังเวชมากยิ่งควรที่จะทําความเพียรที่จะให้รู้ตามที่เป็นจริงให้มากที่สุด มันมีกรณีที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกหนา <c oughs> สังเวชโหดหูใจ <c oughs> ตามหน้านรู้สึกพิ้มันจะมีเยอะจริงๆนะคะอย่างเช่นหรือต้มโหน้าจอโทรทัศน์ด้วย <c oughs> ตอนที่ลมแรงๆที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะเสาไฟล้มทีเป็นแผวมีคนอยู่ในรถถูกเสาไฟทับตาย <c oughs> ซึ่งมันก็ถูกเหมือนกับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนะกันนะคะ <c oughs> แล้วพอเกิดแล้วมั น, นเนอ๊ะทำไม เราเองก็มีโอกาสอย่างนั้นเหมือนกันใช่คือเราก็เรื่องความตายเนี่ยถ้าเราเห็นอยู่บ่อยๆเห็นอยู่บ่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะเหตุของความตายคืออะไรนะพอเราเริ่มสาวหาเหตุแล้วนั่นแหละนั่นแหละคุณมาถูกทางแล้วคุณเริ่มเดินตามมาละนะบางคนเป็นอย่างนี้พอเริ่มเห็นความตายแล้วก็ไปเครียดว่าเอ้ยความตายเอ่อไปแบบมีความทุกข์ ไปมีความร่ําไห้คร่ําครวนไปมีความขึงเครียดไปมีความกระฟัดกระเฟียดโกรธเคืองในความตายนั้นอันนี้เรายัางคิดไม่ถูกแสดงว่าเรายังไม่รู้ว่าไอ้ความตายเนี่ยคือเป็นสิ่งที่คุณรอบรู้นะพอเราเริ่มจะรอบรู้ความตายนี่หมายว่าไอ้ความตายมีเหตุมาจากอะไรนะ น, น, นี่แสดงว่าคุณเริ่มรู้แล้วว่าความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณรอบรู้และเมื่อเราสาวหาเหตุนั้นรู้แจ้งั้มที่เป็นจริงแล้วก็ชื่อว่าความตายนั้นเป็นสิ่งที่คุณได้รอบรู้แล้วงั อ๋อคือถ้าเห็นบ่อยๆมันจะเกิดปัญญาที่มากขึ้นใช่ไหมคะถ้า <ไป S 2> มองเป็นใช่ใช่ความตายเป็นเรื่องที่ต้องรอบรู้รอบรู้ว่าเอ๊ะทาไมถึงตายทําไมถึงตายหระคะเ อ, อทําไมถึงตายมีความตายเกิดขึ้นเพราะมีการเกิดมีมีความตายเกิดขึ้นเพราะมีการเกิดใช่มีการเกิดก็ต้องมีการตายแน่นอน ดิบยังไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ท่านพิบูลนพูดเล่นนะคะอันนี้บริพุทธเจาตัดไว้นะเกิดแล้วตายแน่นอนอแต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จะทำให้ไม่ตายอีกถูกต้องคือคือเหตุแห่งความจะต้องไม่ตายเนี่ยคือความไม่ต้องเกิดถ้าคุณไม่เกิดคุณก็ไม่ตายค่ะพูดถึงเรื่องของอเหตุเนี่ยหรือว่าเรื่องของ พระพุทธเจ้าตราัสแต่เราต้องเป็นคนทําถูกไหมคะใช่ทีนี้บางทีเราอยู่บนโลกใบ น, นี้ก็จะมีเพื่อนฟูมาหาหรือ<ม>เรื่องต่างๆนานาคะเป็นเรื่องความทุกข์ทุกข์เพราะว่ามีความไม่สบายใจไปมีปฏิกิริยาที่ไม่ดีกับคนนั้นคนนี้หรือว่ามีความไม่สบายใจที่เห็นคนนั้นคนนี้ที่อยู่รอบข้างเรากําลังจะทาผิดศีลผิดธรรมเราเป็นครูบาอาจารย์เราไม่ได้เตือน แต่เราอยากจะเตือนแต่เราก็ไม่รู้ว่าเตือนแล้วจะเหมาะหรือไม่ก็มีความทุกข์ท่ามามถ้าอาจารย์ปรึกษาเนี่ยจะให้คําปรึกษาอย่างไรคะเอาก็ธรรมะก็ให้คําปรึกษาตามพุทธวจนะแหละค่ะเข า, ารแตบว่ายังไงเราก็จะบอกไปอย่างนั้นค่ะกรณีนี้จะตอบอย่างไรคะเออก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เราพบเจอนี้มันมันที่มั น, ม, นมันเป็นไงมันเพิ่งมีหรือมันมีมานานแล้วหรือมันเพิ่งเกิดขึ้นแล้วมันดับไปไหมนะเขาก็จะพบว่าเออมันไม่เที่ยงจริง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเอามันก็ให้ความทุกข์เราอยู่ตอนนี้อย่ามาสิ่งใดที่เป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเออเราก็ไม่ควรจะต้องเห็นเป็นอัตตาเราต้องควรเห็นว่าเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอามาเป็นของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราก็ต้องคิดได้อย่างนี้แต่คนที่มันมีความทุกข์จริงๆอ่ะคุณโยมติ๋วเขาไม่มาเห็นอย่างนี้ได้หรอกถูกไหม คือคือมันถูกบังด้วยความโศกแล้วความโศกเนี่ยเป็นพิษของอวิชาคือ อ, อย่างถ้าให้คำปรึกษากัแบบโลกๆหรือเหมือนกับเป็นคนที่พอเข้าใจเรื่องการจัดการกับปัญหาต่างๆว่าจัดการคนอื่นไม่ได้ก็มาจัดการกับตัวเองก็แล้วกันอืก็จะให้คําปรึกษาไปในทํานองที่ว่าเราไปคิดเราก็ทุกเราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่าทําไปตามสมควรทีนี้ดิฉันถูกถามคำถามนี้น่าสนใจมาก ถามว่าเออเราไม่เตือนเขาเนี่ยเราผิดคําสอนของพระพุทธเจ้าไหมคะพระพุทธเจ้าสอนว่าต้องเตือนคนที่ทําไม่ดีไม่ใช่หรอคะอืมเดีืดอดเตือนหรือไม่นี่มันต้องแล้วแต่นะคือหมายความว่าอันแรกก่อนเรื่องของศีลเป็นต้นอย่างเงี้ยสมมติเราเห็นคนผิดศีลคุณจะเตือนเขาไหมถ้าเราเห็นคนผิดศีลอันดับแรกเลยคือเราต้องทําการขุดกล่าวว่าเราจะไม่ทำผิดศีลก่อน อันนี้แน่นอนนะต้องเกิดขึ้นในชิตของเราคือศีลเนี่ยไม่ใช่ว่าให้เรามาคอยเพ่งตัวว่าคนที่ทำผิดคนนี้ทำถูกนะทำถูกยกย่องทำผิดดา่าไม่ใช่นะศีลให้เราปฏิบัติตามไม่ได้เกี่ยวคนอื่นเลยศีลให้เราปฏิบัติตามถ้าเราคนเห็นคนอื่นทำให้ถูกเราต้องรีบแก้ไขขุดกล่าวในชิตของเราส่วนเรื่องการจะตื่นเขาหรือไม่คิดว่ามันรามาต่อในวันพรุ่งนี้ก็ได้ ค่ะนะครเพราะว่าเวลาก็พอดีพอดีเลยวันนี้เราคงจะต้องลาไปสั้นๆอีกเหมือนกันนะคะสามนมรสการขอบพระคุณท่านพิบูลเป็น่างยิ่งค่ะเต็มผานค่ะท่านผู้ฟังที่ครรอครัคนี้คือรายการสัสมีนสนทนาทางสถานีวิทยุ FM ครอบครัวข่าวและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินะคะเราเรียนถามคำถามพระอาจารย์ไปก็เพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสนํามาใช้ในชีวิตประจําวันด้วยค่ะเพราะท่านพิบูลก็บอกนะคะไม่ใช่ว่า พอไปฟังธรรมมาไปปฏิบัติธรรมมาจบแล้วจบเลยแต่ธรรมะนั้นต้องเป็นอยู่ในวิถีชีวิตค่ะขอให้ชีวิตของท่านเมื่อพบกับพุทธวจนะแล้วพบกับความสวัสดีนะคะพุทธสวัสดีค่ะ